เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกูบาศิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาที่15บห้ากันยายนพุทธศักราชสองพหเป็นวันพระวันธรรมวัะวันพระฝ่ายธรรม วันที่สาธุชนพุทธบอยสัตว์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมพลังให้แก่จิตใจเพราะจิตใ จ, จก็เปรียบเหมือนรถยนต์ที่จะมีพลังได้ที่จะสามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วก็จะเป็นจะต้องเติมน้ำมันเติมน้ำ เติมลมถ้าขาดน้ำมันขาดน้ำขาดลมรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปได้ฉันใดจิตใจของพวกเราก็จะเป็นจะต้องมีน้ำมันมีน้ำมีลมเพื่อที่จะทำให้จิตใจมีกำลังมีพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้ดำเนินไป ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้อย่างเจริญก้าวหน้าจนถึงจุดหมายปลายทางที่เลิศที่วิเศษที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงสารุปทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงพวกเราก็จะ สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นได้อย่างแน่นอนถ้าเราหมันม่ น, นเติมน้ำมันเติมน้ำเติมลมให้แก่จิตใจน้ำมันน้ำและลมของจิตใจนี้คืออะไรก็คือคุณธรรม5ประการที่เรียกว่าพระห้านั่นเองมีหนึ่งคือศรัทธาสองวิริยะความภาคเปลียน 3. สติความระลึกรู้ 4. สมาธิความตั้งมั่นของจิตใจและ 5. ปัญญาความฉลาดรู้รอบของจิตใจถ้ามีน้ำมันทั้ง5ชนิดนี้อยู่ภายในใจแล้วจิตใจก็จะสามารถเดินทางไปถึงพระนิพพานได้เพราะ เป็นน้ํามันชนิดเดียวกันที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตถาสมุทัทั้งหลายได้หมั่นเติมกันนั่นเองเมื่อเราหมั่นเติมน้ํามันทั้งห้ชนิดนี้ให้แก่จิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องจนไปถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นเราจึงควรที่จะมาเติม น้ำมันทั้งห้าชนิดนี้ให้แก่จิตใจของเราเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งคือศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเชื่อก็คือให้เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรัรวเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยพระองค์เองสามารถดำเนินชีวิตของพระองค์ ให้ไปถึงพระนิพพานได้ด้วยพระองค์เองหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยไม่มีครูอาจารย์มาสอนเพราะไม่มีใครมีความรู้ความสามารถที่จะรู้ทางที่จะไปถึงพระนิพพานได้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องจึงต้องหาทางด้วยพระองค์เองด้วยความวิริยะความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติจเจริญสติสมาธิและปัญญานี่แหละจนในที่สุดก็ทรงสามารถเดินไปถึงพระนิพพานได้พอพระพุทธเจ้าได้าำนวนไปถึงแล้วก็ทรงนำเอาแผนที่มาสอนผู้ที่ไม่รู้ทางพอผู้ที่ไม่รู้ทางได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นแผนที่ที่จะพาให้ไปถึงพระนิพพาน ก็สามารถเดินไปตามแผนที่นั่นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบางท่านเพียงฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็บรรลุถึงพระนิพพานได้เลยนี่คือความวิเศษที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะเทียบเท่าได้เพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ยะไม่มีใครที่จะสามารถเดินทางไปถึงพระนิพพานได้เลยเพราะผู้ที่จะแสวงหาพระนิพพานนั่นก็เป็นเหมือนคนตาบอดดีๆนี่เองมองไม่เห็นทางจะไปไหนก็ต้องมีคนที่ตาดีพาไปถ้าไม่มีคนตาดีนำพาไปต่อให้เก่งอย่างไรฉลาดอย่างไรก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่ต้องการจะไปได้เลยแต่พอมีคนตาดีมาพาไป mm. ก็สามารถเดินตามไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถึงจุดหมายปลายทางได้ <c oughs> อย่างแน่นอนนี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าที่พวกเราควรที่จะมีความศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใส เพราะถ้าเรามีความเลื่อมใสในตัวพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลังเลสงสัยในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าทําไปแล้วมีประโยชน์หรือไม่ทําไปแล้วมีโทษหรือไม่เราจะไม่สงสัยเลยเราจะมั่นใจว่าทําไปแล้วจะต้องถึงพระนิพพาน เหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปอย่างแน่นอนนี่คือมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพอเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระสาวกท่านก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมคําสอนพอเชื่อแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็บรรลุถึงพระนิพพานได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยสงสาวกที่จะมาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สเสด็ดดับขันธ์ระนิพพานไปแล้ว ก็จะมีพระอาหารหันตสาวกต่างๆเหล่านี้ที่จะมานําเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแพร่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปและก็ได้มีการเผยแผร่กันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 2,500 กว่าปีแล้วพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ปราศจากพระอาหารหันตสาวกเลย มีการสืบทอดถ่ายทอดคำสอนอันประเสริฐของพ่อพระเจ้ากันมาอย่างต่อเนื่องมีผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสนำเอาไปปฏิบัติบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากนี่คือศรัทธาความเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อในก็ทำคำสอนของพระพระเจ้า ถ้ามีวิริยะคือมีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยจะพยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนอยู่ตลอดเวลาคือจะทำความดีตลอดเวลาไม่ว่าใครจะทำความดีหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าใครจะมาทักว่าทำดีแล้วโง่ก็ตามจะไม่เชื่อใครนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพราะพพุทธเจ้าทรงสอนว่าทำดีแล้วต้องได้ดีใครใครจะมาบอกว่าทำดีไม่ได้ดีนี้จะไม่เชื่อโดยเด็ดขาดจะเชื่อแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวถึงแม้ว่าคนอื่นไม่ทำความดีแล้วได้ดบได้ดีอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นผลของการทำความดี การทำความดีนี้เพื่อให้เราเป็นคนดีให้เรามีความสงบมีความสุขใจการทำความดีไม่ได้หมายความว่าให้เราจเจริญในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะคนที่ทำบาปทำชั่วก็สามารถจเจริญในลาบยศสรรเสริญในสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แต่การทำชั่วหรือการทำบาสนี้จะทำให้จิตใจเขาลุ่มร้อนมีความทุกข์วุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายจิตใจว้าวุ่นขุนวัวหวาดกลัวต่อบาปกรรมต่อผลของบาปกรรมที่ตนได้ทำไว้ดังนั้นอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี เห็นคนทำชั่วคอรัปชันกินบ้านกินเมืองกับร่ำรวยกลับเป็นใหญ่เป็นโตอย่าไปคิดว่าเขามีความสุขใจเขามีแต่ความทุกข์ใจวุ่นวายใจเดือดร้อนกังวลอยู่ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดผวาเพราะเขาไปทำบาปทำกรรมไว้นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความล่มเย็นเป็นสุข อยากจะเป็นคนดีเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอยากไปเชื่อคนที่ไม่รู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ที่คนก็บอกว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปนี้เป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดเพราะไปคิดว่าการเจริญในลาบยศสรลรเสริญสุขนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำความชั่ว ซึ่งความจริงแล้วจะทำดีหรือทาชั่วก็สามารถได้รับผลเหล่านี้เช่นเดียวกันคนทำดีก็จเจริญในลาภยศสารเสริอมสุดได้คนทำชั่วก็จะเจริญได้เหมืนกันแต่ตางที่จิตใจของคนที่ทำดีกับทำชั่วนี้ต่างกันคนจิตใจของคนที่ทำดีนี้จะเจริญจะขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคล แต่จิตใจของคนที่ทำบาบนี้จะเสื่อมลงจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกต่างกันตรงนี้ขอให้เรามองกันตรงนี้ให้เรามองที่จิตใจของเราเป็นหลักให้เราคิดว่าเราจะต้องกลับมาเกิดอีกตายไปแล้วเราจะต้องไปเกิดใหม่อีกเราต้องไปใช้บุญใช้บาปต่อไม่ใช่ทำทำแล้วพอตายไปแล้วทุกอย่างก็จบ อันนั้นจบที่ร่างกายตำรวจเขาไม่จับร่างกายไปขังในคุกแล้วเจ้านี้เขาไม่มาตามเอาหนี้จากคนตายแล้วแต่คนที่ทำบาปนี้ตายไปใจของเขาที่ไม่ตายไปกับร่างกายจะต้องไปใช้บาปกรรมต่อไปนี่คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็นเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราซึ่งเป็นเหมือนคนตาบอดไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่สร้างพลังจิตขึ้นมาด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาเราจะไม่สามารถมองเห็นใจของเราที่ละเอียดกว่าร่างกายหลายร้อยหลายพันเท่าได้แต่ถ้าเราได้เจริญสติสมาธิปัญญาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราก็จะมีพลังจิตที่จะสามารถมองเห็นสิ่งที่ละเอียด เช่นกายทิพย์คือใจของเราและกายทิพย์ของสัตว์ทั้งหลายได้พระพพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดท่านจึงรักษาศีลทำแต่ความดีท่านยอมตายดีกว่าทำบาปเพราะท่านเห็นผลของการทำบาปที่จะตามมาว่าร้ายแรงกว่า ความตายหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันแล้วก็ความตายนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะหนีพ้นอยู่ดีจะทำบาปหรือไม่ทำบาปก็ต้องตายเหมือนกันแต่ถ้าอยู่เพราะทําทำบาปเวลาตายไปนี้จะขาดทุนแต่ถ้าอยู่แล้วทำความดีถ้าต้องตายก็จะไม่ทำบาปตายไปก็จะกําไรเพราะไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมใ น, นระบายสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้เลยหรือไปเกิดเป็นเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปนี่คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็ขอให้เรามีความภาคเพียงที่จะปฏิบัติตามที่พทธเจ้าทรงสั่งสอนสามประการด้วยกันคือทาบุญ อย่างที่เราทั้งหลายมาทำกันในวันนี้หลักบาตถวายข้าวของเงินทองเรียกว่าทำบุญแล้วก็เมื่อกี้ก็สมาทานศีลห้ากันเรียกว่าละบาตแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาภาวนาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระใจให้สะอาดได้ก็ต้องมีเครื่องมือเหมือนเวลาจะซักผ้าก็ต้องมีเครื่องมือ ต้องมีน้ำมีเครื่องซักผ้ามีผงซักฟอกถ้าไม่มีเครื่องซักผ้าก็ต้องมีกลมังมีน้ำไว้ใสเสื้อผ้าแล้วก็มีผงซักฟอกถ้ามีปัจจัยเหล่านี้เราก็จะสามารถซักเสื้อผ้าของเราให้สะอาดได้ถ้าเราต้องการชำระใจของเราให้สะอาดบรยสุดเราก็ต้องมีสติมีสมาธิ และมีปัญญาถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะสามารถซักฟอกใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ซักฟอกกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้เพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เองที่เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจของเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิด ต้องไปทำบาปทำกรรมต้องไปรับผลของบาปกรรมอย่างไม่มีวันเสร็จสิ้นสิ้นสุดเราทำกันมานี้นับไม่ถ้วนแล้วพบชาติต่างๆที่เราได้เกิดมานี้มากมายกายกองพระพุทธเจ้าทรง <c oughs> เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพว่าในแต่ละพบแต่ละชาติที่เราเกิดมานี้เราต้องมีความเศร้าโศกเสียใจเราต้องร้องห่มร้องไห้กัน น้ำตาที่เราร้องหมร้องไห้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูแล้วกันว่าเราจะต้องเกิดมากี่ภพกี่ชาติถึงจะร้องไห้ได้มีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหลคือความทุกข์ที่พวกเราได้ประสบกันมาได้สัมผัสกันมา และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าตราบใดเราไม่สามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ไม่สามารถกำจัดกิเลตตันหาต่างๆอันเป็นต้นเหตุของการสร้างพบสร้างชาตินี้ให้หมดไปได้และวิธีที่จะชำระก็ต้องเจริญสติ เมื่อมีสติก็จะทำให้จิตใจเราตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เมื่อมีสมาธิใจของเราก็จะใสสว่างสามารถเห็นเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เมื่อเราเห็นตามความจริงแล้วเราก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงเพราะไม่รู้ว่าจะไปโลภ ก, กับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราทำไมเช่นเราถ้ารู้ว่าสิ่ง ที่เรากำลังโลภอยู่นี้เป็นเหมือนระเบิดลูกระเบิดหรือเป็นยาพิษเราอยากจะได้ลูกระเบิดหรือได้ยาพิษมาไว้ที่บ้านเราหรือไม่ถ้าเราล้วงเป็นภัยเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราเราก็ต้องหนีให้อยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้น <c oughs> ฉันใดสิ่งต่างๆที่เราโลภเราอยากได้เ <c oughs> ช่นลาบยศสรรเสริญ <c oughs> ความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายนี้ ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือนลูกระเบิดที่เะระเบิดใส่เราได้ตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาซึ่งทำให้เราเป็นเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดและไม่มีแสงสว่างเวลาตอนคืนถ้าเราอยู่ในห้องที่มืดและไม่มีแสงไฟ เราจะไม่รู้ว่าภายในห้องนั้นมีอะไรอยู่บ้างมีอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์มีอะไรเป็นโทษเป็นอันตรายต่อชีวิตเราจะมองไม่เห็นเราจะไม่กล้าเข้าไปเราจะกลัวแต่ถ้าเราดีไฟเราก็จะกล้าเข้าไปเพราะเราจะรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเราเห็นเช่นเดียวกับใจของเราที่ <c oughs> มีความมืดบอดนี้ เราก็จะไม่เห็นสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตจิตใจของเราเช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนอยาพิษเราไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่จะระเบิดใส่เราได้เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เม่เชื่อลองพิจารณาดูเวลาเราได้อะไรมาเราจะดีใจได้ลาบยศสรรเสริญ ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาแต่เวลาเราสูญเสียเขาไปเรารู้สึกอย่างไรเราดีใจหรือเราเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาที่เราต้องเสียคนที่เรารักไปเวลาที่เราต้องเสียสิ่งที่เรารักไปเราทำใจได้หรือเปล่าเราทำใจเฉยเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนได้หรือเปล่าเราทำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่มี ไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะสอนเราให้รู้เรื่องหน้าไว้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักที่เราชอบที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้มีการเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเราไม่เคยคิดถึงความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เรามีไว้ครอบครองเช่นสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทอง รูอตำแหน่งต่างๆเรามักจะคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดพอวันดีคืนดีสิ่งเหล่านี้เกิดจะต้องพัดพาจากเราไปเราก็แทบจะอยู่ไม่ได้ต่อไปจิตใจของเราไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปมีแต่อยากจะฆ่าตัวตายไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เติมพลังเติมน้ำมันให้แก่ใจนั่นเอง คือเราไม่ได้สร้างสติไม่ได้สร้างสมาธิไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมีไว้ในใจของเราถ้าเรามีแล้วเราจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องพัดพากจากกันเราเพราะว่าเราจะต้องแก่เจ็บตายไปนั่นเองร่างกายของเราไม่อยู่ไปตลอดสักวันหนึ่งร่างกายก็ต้องตายจากโลกนี้ไปหรือสิ่งที่เรารัก ที่เราหวงก็ต้องจากเราไปไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนเขาไม่ว่าจะจากไปแบบไหนก็จะทำให้เราต้องทุกข์ทรมานใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้ก่อนเตรียมรับไว้ด้วยการปล่อยวางไม่ยึดติดพร้อมที่จะให้เขาจากไปพอเราพร้อมแล้วเวลาเขาจากไป เราจะไม่มีความทุกข์เลยแล้วกลับมีความสบายใจว่าหมดภาระกันไปเสียทีไม่ต้องมาคอยดูแลกันไม่ต้องมาคอยห่วงคอยห่วงกัน <c oughs> เช่นวันนี้ญาติโยมก็ได้มาซ้อมพัดภาคจากสิ่งที่ญาติโยมรักก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองวันนี้เอาเงินทองมาถว า, ายวัดเอาเงินทองไปซื้อข้าวของเช่นอาหารข้าวหวาน จะตุปัจจัยทายทานต่างๆแล้วนําเอามาถวายพระภิกษุมาถวายวัดแทนที่จะมีความเศร้าโศกเสียใจกับมีความสุขใจเพราะว่ายินดีที่จะจากยินดีที่จะเสียเงินเสียทองไปแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจไม่ยินดีถ้ามีใครมาลักเงินทองลักขโมยเงินทองก้อนนี้ไปเราจะเกิดความเสียใจขึ้นมาทันที จะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาทันทีเพราะว่าเรายังยึดติดอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ยึดติดเราปล่อยวางเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่นี้ก็จะต้องจากเราไปถ้าเรายินดีที่จะให้เขาจากเราไปเราก็จะมีความสุขความสบายใจโล่งอกไปไม่ต้องมาคอยดูแล รักษาไม่ต้องคอยเฝ้าไม่ต้องคอยหาที่เก็บเวลาไม่มีแล้วกลับมีความสุขมากกว่าเวลาที่มีแต่นี่พวกเรายังไม่รู้กันเราจึงยังไม่กล้าให้มากๆให้เพียงเล็กๆน้อยๆไปก่อนเพราะว่าเรายังเห็นว่าเงินทองมีความีประโยชน์แต่เรายังไม่เห็นโทษของเงินทองเวลาที่มันหุดไปว่าจะทำให้เรารู้สึกอย่างไร ถ้าเราหัดอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองได้ต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการไม่มีเงินทองเช่นผู้ที่ออกบวชทั้งหลายนี้ไม่ต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือให้ความสุขแล้วเพราะว่าไม่มีเงินทองเวลาบวชนี้มีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยก็สละให้ผู้อื่นไปแล้วก็มาอยู่แบบนักบวช อาศัยศรัทธาของผู้อื่นที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยสี่คือในเรื่องของอาหารบิญทบาจีวรเครื่องนุ่งหง่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแล้วก็อยู่ได้ไม่จาเป็นจะต้องมีเงินทอง <c oughs> ถ้าไม่มีใครสนับสนุนก็ยินดีที่จะอดตายไปเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่ง ก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเราพร้อมที่จะตายพร้อมที่ให้ร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไม่ทุกข์ใจเหมือนกับที่เราไม่ทุกข์ใจเวลาที่เราพร้อมที่จะสละสมบัติเข้าของเงินทองไปความทุกข์ใจนี้เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานความยึดติดในสิ่งของต่างๆในร่างกายของเราถ้าเราไม่ยึดติดแล้วเวลาตายไปเราจะไม่เดือดร้อน เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเวลาที่ร่างกายของท่านตายไปนี้ท่านตายอย่างสบายท่านไม่เดือดร้อนท่านไม่วุ่นวายใจท่านไม่เต้นแรงเต้นกา ร, ร้องห่มร้องห้าท่านเพราะจิตใจของท่านปล่อยวางตั้งอยู่ในความสงบเหมือนกับที่ญาติโยมวันนี้มาทำบุญมาเสียเงินเสียทองแต่เสียด้วยความสงบ เสียด้วยความยินดีเพราะปล่อยวางไม่ยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทองนี่แหละคือการสร้างพลังให้แก่จิตใจด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาพอเรามีแล้วใจของเราจะตั้งอยู่ในความสงบเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็กตามใจของเราจะรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องเกิดขึ้น มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงขนาดไหนถึงการถึงกับตายไปก็จะไม่เป็นปัญหากับจิตใจผู้มีพลังจิตผู้มีพลังธรรมคอยคุ้มครองรักษาดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างเติมน้ำมันทั้งห้าชนิดนี้คือเติมศรัทธา ด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วจะทําให้เราเกิดศรัทธาพอมีศรัทธาเราก็จะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามที่ พ, พุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือจะเจริญสติอยู่เรื่อยๆสตินี้ก็คือการระเลกรู้ให้ใจอยู่ในปัจจุบัน ให้ใจรู้เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งเช่นให้รู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังนั่งกำลังยืนกำลังอาบน้ำกำลังแปลงฟันกำลังรับประธานอาหารกำลังทำงานก็ให้ใจอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่อย่าไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่ทำงานไปแล้วก็คิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าใจลอยไม่มีสติ ถ้าจะมีสติใจจะต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิหลับตานั่งดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะไม่ลอยไปที่อื่นจะเฝ้าดูลมไปอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดใจก็จะรวมลงเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความสงบพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุข สูงกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยได้มีมาก็จะทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้น่าที่จะอยากได้น่าที่จะโลภเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สุขเท่ากับความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิพอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ได้มานั้นนอกจากไม่ได้ให้ความสุข มากนักแล้วยังจะให้ความทุกข์มากมายกายกองเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงคอยห่วงต้องเสียใจเวลาที่จะสูญเสียสิ่งต่างๆไปนี่คือปัญญาพอมีสติก็จะได้สมาธิพอมีสมาธิก็จะได้ปัญญาพอจะได้ปัญญาก็จะได้การปล่อยวางไม่หลงไม่ยึดติดไม่อยากได้อะไรทั้งหลายในโลกนี้ ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้สามารถอยู่เฉยๆแล้วมีความสุขได้ไม่ต้องไปนิ่นนนต่อสู้ทำมาหากินแทบเป็นแทบตายเพื่อที่จะหาความทุกข์มาเหยียบย่ำจิตใจสู้อยู่เฉยๆดีกว่าถ้าจะทำก็ทำเท่าที่จำเป็นก็คือทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแต่จะไม่หาอะไรมากไปกว่านั้นเพราะมีสิ่งที่เลิศที่วิเศษที่ดี กว่าอยู่ในใจของเราแล้วนั่นก็คือความสงบสุขนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาเติมน้ำมันให้แก่จิตใจคือเติมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี้ให้ท่านได้นำเราไปพินิศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป